ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจาความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ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 ท่านครับในตัวมันเรียบร้อยแล้วครับคนนี้แหละที่เป็นคนขโมยสร้อยทองคําของท่านนะครับอืมอืมเออจะให้จัดการไงดีครับเออเดี๋ยวชันจัดการเองเอ๋อครับนี่ครับสร้อยทองของท่านครับขอบใจมากทุกคนแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ได้นะเดี๋ยวฉี่จะเป็นคนพูดกับหนุ่มคนนี้เองเออไม่ให้ตํารวจจัดการเหรอครับท่านไม่ต้องหรอกไม่ต้องเรื่องคนี้เล็กน้อยเราพอคุยกันได้เออตามใจครับท่านออกไปก่อนนะ ขอที่อยู่แต่ลำพังกับพ่อนมนี่เองแต่แต่ว่าท่านครับไม่มีอะไรหรอกนาะจะกังวลใจไปเลยโอ้ยังไงผมก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีครับเกิดใจคนนี้นึกบ้าอะไรขึ้นมาทําร้ายท่านจะว่าอย่างไงครับฉันเอาตัวรอดได้เออแต่ว่าท่านครับเชื่อฉันสิ ค, คือคือว่าเอเอนี่ทำไมต้องกลัวฉันจะถูกทําร้ายด้วยเป็นต้องกลัวตรงไหนแล้วนี่นาะเออท่านไม่เห็นเหรอครับขณะตอนหน้าฝูงชนเต็มหน้าห้องประชุมพอนุมคนนี้ยังกล้าขโมยสร้อยทองคําของท่านเลยครับขโมยไปหน้าตาเฉยเฉยเผมไได้ขโมยนะครับ อ้าวถ้าไม่ได้ขโมยแล้วหลักฐานอยู่ในมือของท่านได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ้าวนายบอกว่าไม่รู้เหรอก็ผมไม่รู้จริงๆนี่นะอาจจะมีใครกานแกล้งผมก็ได้อ๋อนายหาว่ามีคนการแกล้งนายเพื่อที่จะได้พ้นข้อกล่าวหาใช่ไหมล่ะมันไม่ง่ายอย่างที่นายคิดหรอกนะผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นอ่ะอนายคิดผมไม่ได้คิดนายคิดไม่ได้คิดคิดไม่คิดคิดไม่คิดไม่คิดพอพอพอแล้วพุทธเถียก็หรอกเอขอโทษครับท่านอ้าช่างเถอะอ้า ท่านายอยากอยู่ในนี้นะเพืฟังฉันคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้แล้วก็ก็ได้ไม่ว่ากันแต่อย่าทรงเสีออยอะโวยวายว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะว่าวิธีการสอบสวนของฉันเนี่ยมันแปลกพิสดารไม่เหมือนกันเ อ, อ่อครับท่านเ อ, อ่ออ่ะอยืนตรงนี้เอามือไว้หลังไว้รอยท่านสอบสวนครับผมไม่ผิดผมไม่ได้เป็นคนขโมยพระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงเมตตาลูกด้วยทรงเมตตาลูกด้วยไม่เออ ย, ย็น ไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยอืมทำไมจะไม่น่าขำล่ะก็ท่าทางของเองน่ะมันมันแสดงออกขนาดนี้นี่นะแสดงอะไรออกมาเอา้าก็ท่าทางของเองไงท่าทางอะไรล่ะพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยยังเองจะไปรู้อะไรไม่รู้ตัวเองทําำไมลงไปหรอกมันต้องให้คนอื่นน่ะมองถึงจะรู้แลยพ่อคิดว่าท่าทางฝนเป็นยังไงเหรออืมอยากจะไปหาหญิ่งมากใช่ไหมล่ะพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจริงไหมหลัง ไม่จริงอืมเองหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกนางฝนเอ้ยฝนไม่ได้หลอกตัวเองสักหน่อยเองจะทำเป็นปากแข็งนี่ก็เปนจริงนี่ระวังเถอะนางฝนระวังอะไรล่ะพ่อไม่รีบเขาไปหาอีกยิงเดี๋ยวมันก็กลับกรุงเทพเองจะต้องมานั่งกอดเขาร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้คุยกับมันไม่มีทางหรอกไม่มีทางอะไรของเองเขาไม่มีทางกลับง่ายๆหรอกพ่อเอ้ยเองรู้ได้ยังไงอ้าวก็เข้าสัญญากับฝนไปแล้วนี่สัญญาว่าอะไรพ่ออยากรู้ไปทําไมเราไม่เกี่ยวพ่อสักหน่อยอ้าวแล้ว มันเกี่ยวกับเองเหรอใช่แล้วเกี่ยวกับฝนโดยตรงอืถ้าเกี่ยวกับเองก็ต้องเกี่ยวข้าด้วยสิเกี่ยวยังไงเล่าเพราะเองน่ะเป็นลูกของข้าใช่ไหมล่ะทําไมจะไม่เกี่ยวกับข้าล่ะพ่ออ่านี่ว่าไปไอ้ยิงน่ะมันสัญญากับเองว่าอย่างไงพี่ยิ่งก็สัญญาว่าจะกลับไปหาพ่อของเขาจริงเหรอก็จริงเลยสิเฮ้ยมันจะเป็นไปรเด็อย่างไงไอ้ฝนเอย้ยอ้าวทำไมล่ะือทําไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ละจ้ะพ่อเองไม่เห็นหรืองไงหืม เห็นอะไรแล้วพ่อก็ผู้ติดตามไอ้ยิ่งไงมากันเพียบเลยเฉพาะรถจากต่างประเทศรถเก่งอะ่ะล้อมหน้าล้อมหลังไม่รู้กี่คันต่อกี่คันแล้วไอ้ยิ่งมันจะไปหาพ่อมาอยังไงไปคนเดียวโดดน่ะเหรอใครเขาจะยอมให้ไปเฮเกิดไอ้ยิ่งมันโดนใครยิงตายขึ้นมาข่าวใหญ่เกลียวกลาวไปทั่วโลกชาวนาก็เพราะ อ, อย่างนั้นน่ะสิเลยไม่มีใครกล้าทําร้ายพี่ยิ่งจะบ้าเหรอพวกชาวบ้านนะ่ะ ไม่ได้เป็นคนดีหมดนะเว้ยนี่เอ็งต้องเข้าใจสังคมนะสังคมทุกวันนี้นะมีทั้งคนดีคนเลวปะปนกันไปหมดแล้วเอ็งจะไว้ใจใครง่ายๆเหรอเห็นหน้าก็คิดว่าเขาเป็นคนดีหรือไงแต่ที่นั่นนะ่ะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพี่ยิ่งคนนะทุกคนเขารู้จักพี่ยิ่งดีเอง็งพูดถูกต้องทุกคนในหมู่บ้านรู้จักไอ้ยิง่งรู้ว่ามันเป็นคนดีแต่อยิ่งที่ทุกคนรู้จักเป็นเด็กตัวเล็กๆนะ เรียบร้อยไม่เด็กตัวโตแต่งตัวผู้นี้แบบนี้แถมยังใส่เครื่องประดับอีกเยอะแยะรวยขนาดนั้นนะราศีดีขนาดนั้นไม่มีใครมองออกเลยดรซ้าไปว่ามันคือไอ้ยิงก็เห็นตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าคนไหนคือไอ้ยิงถ้าเองไม่ชี้ข้าดูข้าก็ไม่มีวันรู้หรอกขนาดเองยืนยันแล้วยืนยันอีกข้าก็ยังไม่อยากเชื่อเลยนี่เองคิดดูก็แล้วกันนะ ชาวบ้านนะ่ะเขาจะรู้ได้อย่างไงฮึมันก็จริงของพ่อนะแต่ว่าถึงยังไงเขาก็ต้องไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาสัญญากับฝนเอาไว้ยังไงล่ะสัญญาว่าก็สัญญาว่าเขาจะต้องกลับไปหาพ่อเขาไปกราบเท้าพ่อเขาแล้วไงอีกอะ่ะก็แล้วไงล่ะ อ, อื ม, ออ ม, มต้องมีอีกสิทั้งฝนมีอะไรพ่อไม่มีแล้วต้องมีอีกนี่เอ็งมาประทับขานะเว้ยฝนไม่ได้โกหกพ่อสักหน่อยว่ามาไม่มีอะไรนะจ๊ะพ่อถ้าไม่มีเอ็งไม่ดีอกดีใจขนาดนี้หรอก วไปเร็วพ่ออืมอา้าวจะพูดไหมถ้ามไม่ข้าจะบุกเข้าไปถามใอ้ยิ่งเองพ่อทำไมอย่านะพ่อพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้ามให้ข้าเข้าไปห า, ายิ่งแล้วก็เองต้องบอกข้าให้หมดว่ามาโธ่พ่อ เร็วสิชักช้าข่าลุยนะไม่ได้ก็ได้อบอกพ่อก็ได้อ่าวพูดสิเงียบทำไมล่ะเดี๋ยวสิพ่ อ, อคนกำลังใช้ความคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงดีพ่อถึงจะเข้าใจง่ายๆอืมพูดตรงไปตรงมาประโยคเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้อง อ, อ้อมคอมคือพี่ยิ่งจะไปขอฝนแต่งงานตรงไมมพ่ อ, อ <c oughs> นี่มันต้องอย่างนี้สิขันนึกไว้แล้วว่ามันน่ะจะต้องออกมาในรูปนี้ แม่ซื้อหวยทำไมมันไม่แม่นเหมือนอย่างนี้ล่ะเว้ยหวยอีกแล้วเหรอพอ่อก็บ้าหวดเถอะเดี๋ยวจะหมดตัว <c oughs> โถ่ไม่หรอกนาะเล่นเพรเด็กรุ่นเท่านั้นแหละไม่ได้ซื้อมากมายอะไรนี่นะนเอนพ่อบอกฝนซิไ ม, ไม่มากของพ่อหนะงวดละเท่าไหร่ร้อยสองร้อยมากไปแล้วนะพ่อุยไม่มากหรอกคนอื่นเขาเล่นกันทีแล้วเป็นพันๆชูนาเออถ้ารู้ว่าใครเล่นจะบอกให้พี่ยิ่งนะ่ะไม่ต้องช่วยคุณนั้นน่ะดีไม่พ่อนางฝน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 ไปเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นและฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอย่างตีไปจนตายแม้ว่าคนเตียนจะไม่มีใครแต่ก็มีเธอ เบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอจากมอนใบเดิมที่เราต่างเขารวมฝันแค่ได้กินถึงกันก็สุขใจกลิ่นทองความรักกลิ่นของความรักที่เคยจะจางหายไปไม่ว่าวันเวลามันจะนานจะเท่ไหร น้ำหอมของใครท้างในไม่มีใครแทนที่เธอแม้ว่ากลางคืนจะหนาเพียงใดต้องทนนอนคนเดียวเรื่อ ในใจเท่าไรเพียงมีกินหอจดมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจคื็บของความได้เก็นของความได้ไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวเวลามันจะนานจะท่าไหร วันี้เธอไม่รักใครกลิ่นขความรักกลิ่นขความรักมันยังตึงอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนไหนไม่มีใครแทนที่เธอแต่เมื่อันที่เธอจากฉันไปไม่มีคืนไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ Touching you. ต้องมีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รูมสุดต่วตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกตีที่ชีวิตคน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 ว่าอะไรจะมีความหมายและสำคัญ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 ว่าไรจะมีความหมายและสำคัญ อ, อ, อ, อ, อ, อย่ามว่ารกคนั้นอย่าความรู้สึกนั้นคาสาคัญนั้นมีค่าจดจำไว้ให้ดีย่งลืมว่ารักคนั้นที่เคยบกลกันเพียงค่าืน คำว่ารักคำนั้นที่เคยบอกกันแลกกันเพียงแค่คืนและวันได้เลยผ่านอย่ามองคำบางสิ่งมองคำบางอย่างแค่ดูคำว่ารักคำนั้นยังเหลือควา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 ชีวิตของเธอสุทุกดอยู่ตรงนั้นเธอลบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคนที่เธอ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 ไอเดียเอ็งเห่าอะไรกันเราว้ยฮะใครมาวะฮะเห่าสักทน่อยมันเห่าพวกผมนะพ่ออ้าวพวกเอ็งกลับกันมาแล้วเหรอแล้วพ่อเออแล้วได้อะไรกันมาบังล่ะเพียบเลยพ่อท่านให้มาคนละสองถุงเฮ้ยพวกเอ็งเอาขอไปกองไว้ที่บ้านก่อนน้าเลยพี่มามามาดีว้มาดีไว้จะเอามากองทาใหม่แบ่งๆกันไปใช้แบ่งๆกันไปกินเอาไปโอ้ไม่ได้หรอกพ่อทุกอย่างต้องมารวมเป็นกองกลางไว้ก่อน ไม่รู้เลยว่าที่ท่านแจกมาคนละถุงสองถุงนี่ล่ะไอ้ข้างในเปนมีอะไรบ้างอะท่านให้คนละสองถุงเลยเลยเนี่ยนะพ่อโอ้ใจดีเหลือเกินหน้าตาเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แก่แล้วหรือยังอยยังหนุ่มยังนั้นเลยพ่อหล่อหอหล่อมากเลยหล่อหอหล่อจริงจริงพ่อหล่อมากด้วยจิตน้ำหอมเนี่ยทําไมจะไม่หอมเราเออได้ของแจกกันมาทวนหน้าเลยใชนะครับท่านให้ขอไม่ให้พ่อด้วยนะ มีของของข้าด้วยแล้วจ้าอ้าวแล้วท่านรู้ได้ไงว่าที่นี้ยังมีคนคนนึงที่ไม่ได้รับของแจ ก, กอยู่อ่ะท่านถามไอ้เย็นน่ะไอ้เย็นก็เลยบอกไปว่าพ่อมันเคยสบายไม่รับของแจ ก, กไม่ได้อ่ออย่างนี้นี่เองแล้วแลวไอ้เย็นล่ะข้ามไม่เห็นอ่าได้ยินเสียงมันเลยอ่ะนี่พวเองหนีมันกลับมาก่อนหรือไงเปล่าหรอพ่อคือไอ้เยน็นไอไ้ไอเย็นมันโดนจับข้อหาขโมยสร้อยทองของท่านนะครับวังไงน่ะ พอ่พอพ่อเป็นอะไรไปพ่อไม่จริงอ่ะเป็นไรไปอ่ะไอ้เย็นของข้าไม่เคยขโมยของของใครไอ้เย็ยเนมันเป็นคนดีมันไม่ทําตัวอย่างนั้นแน่นอนข้าจะบุกไปช่วยไอ้เย็นมันเอง พ, อพ่อจะไปได้ยังไงพ่อบอกไม่ค่อยเห็นนะต่อให้ข้าตาบอดสนิทข้าก็จะไปเอาลูกของข้าคืนมาให้ได้อ๋อไอ้ยิงมันหายไปคนนึงแล้วข้าจะยอมให้ไอ้เย็นหายไปคนไม่ได้เด็ดขาด ข้าต้องไปช่วยไอ้เย็นลูกค้าให้ได้โว้ยพ่อพ่อคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้